ก็เกิดเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีหรือการดำเนินชีวิตที่ดีก็เกิดมีขึ้นดังนั้นเมื่อฝึกด้วยไตรสิกขามักก็เกิดมีขึ้นหรือว่าเมื่อคนฝึกตนด้วยไตรสิกขาชีวิตของเขาก็พัฒนาไปในมักเท่ากับพูดว่าการฝึกไตรสิกขาก็เพื่อให้มักเกิดขึ้นแท้จริงนั้นเนื้อหาสาระของมักและไตรสิกขาก็อันเดียวกันนั่นเอง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 รวมถึงการประพฤติ ช, ชอบต่อกันระหว่างอุปชาอาจารย์กับสิทธิ์ดังระบุในมหาขันธากาเป็นต้นแห่งพระวินัยปิดกในฝ่ายครือหัสศีลรวมถึงการทำหน้าที่ต่อกันระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาสามีกับภรรยาเพื่อนกับเพื่อนตามหลักทิฏ6ตลอดจนสังฆะวัตถุตามหลักขีหิวินัยในสิงขาลากสูตรเป็นต้น